ขอความสุขความเจริญจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้จะพูดเรื่องนสันติสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยการกำจัดเบญจขัน์คือกำจัดทุกข์ก็เป็นเรื่องที่พระเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่ประเชศตะวัน อันเป็นนารามของอนาตบินติกะเศรษฐีในกรุงสาวัตถีอีกเช่นเคยเกเทวดาชุดเดิมนะฮะชุดชุดเจรอเนี่ยที่เรียกว่าเทวดาสตุลละปกาญิกามากด้วยกันมีวรนงามอย่างพระเชตวันทั้งสิ้นให้สว่างเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค กันแล้วจึงถวายพิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วก็ยืนอยู่ในที่กวนส่วนข้างหนึ่งเทวดกทาดก็เริ่มกล่าวคาถาอีกเช่นเคยได้กล่าวว่ากามทั้งหลายในหมู่มนุษย์ที่เป็นของเชี่ยงเนี่ยไม่มีกรกรมการนั้นมีสองความหมายความหมายหนึ่งเรียกว่ากิเลสกรรม แปล ว, ว่ากิเลสเป็นเหตุให้เกิดความใคร่เกิดความปรารถนาเกิดความพอใจเกิดความต้องการเกิดความดิ้นรนเกิดการแสวงหาเกิดการครอบครองถือครองยึดติดก่อไปทั้งกระบวนแหละสรุปรวมมาเป็นกิเลสกรมและต่อไปก็คือวัตถุกรรมได้แก่โลกกับวัตถุทั้งหลาย ที่เราสัมผัส ด, ด้วยตาด้วยหูด้วยจมูกด้วยลิ้นด้วยกายแล้วก็เก็บสะสมเรื่องเหล่านั้นไว้ภายในใจตรงนี้ท่านฟังจะสังเกตว่าเราพบเยอะเราพบบ่อยที่สุดเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเราพบทุกวันนะทุกขณะจิตจะซ้าไปเพราะเราเราเป็นโลกของสัมผัส เราประสบสัมผัสรูปทางตาสัมผัสเสียงทางหูสัมผัสกลิ่นทางจมูกสัมผัมมสผรสทางลิ้นสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งทางกายแต่ก็จําไว้แล้วก็นํามาคิดอยู่ภายในจิตใจความคิดนั้นก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งที่เข้ามาปรุงจิตเพราะในตัววัตถุกรรมนั้นปนัญหาสําคัญว่าจิตใจเราเป็นยังไง ถ้า จ, จิตใจเราเป็นกุศลก็อาจจะคิดเป็นกุศลได้แต่เห็นว่าอย่างทานที่เราพูดไว้ในพระสูก่อนไอ้ตัววัตถุที่เรานํามาให้ทานที่จริงก็คือวัตถุกรรมแต่ว่าจิตมันไม่มีกิเลสกรรมมันเกิดเป็นกุศลและเจตนาที่จะสละที่จะบริจาคที่จะบําเพ็ญกุศลต่างๆ ก็ใช้วัตถุกรรมไปในทางสร้างเสริมความดีให้แก่ตนเองและก็เป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่นในขณะเดียวกันวัตถุกรรมนั้นเองถ้าจิตเราคิดไม่ดีมันก็จะออกมาในลักษณะที่รุนแร ง, โ, งโหดร้ายซึ่งบางครั้งก็ไม่น่าเชื่อเมืม่อวันที่สิบมกราคม ต่ดูรายการที่เกี่ยวกับครูจุลิงิงปงกันมูลคือยิ่งอ่านยิ่งสลดใจว่ามนุษย์เราในคิดยังไงครูจุลิิงเธออยู่เชียงรายคือเหนือสุดแล้วก็ลงไปทำงานอยู่ที่ใต้สุดแล้วก็มีความรู้สึกดีต่อคนทางภาคใต้ แต่ว่ากลับถูกคนกลุ่มเล็กๆทำลายเกียรติภูมิศักดิ์ศีของคนอย่างน้อยก็ในจังหวัดนราธิบดีนราธิบ า, า, า, บาีให้ถูกมองเป็นคล้ายๆกับเป็นคนโหดร้ายรุนแรงเออทางๆที่จริงๆก็เป็นคนกลุ่มเล็กๆเห็นภาพของเด็กทังอิสลามเด็กพุทธมายืน แสดงความเคารพต่อศบครูของเขาแล้วเข้าแถวไปรดน้ำให้ครูแล้วก็ส่งครูขึ้นเครื่อ ง, งบินเป็นภาพของความยิ่งใหญ่ที่แสดงให้เห็นว่าวัตถุตัวเนี้ยที่จริงก็คือคนก็คือวัตถุกรรมหนึ่ง แต่คนกลุ่มหนึ่งมองเป็นวัตถุที่พึงประทุษรายแต่การประทุษรายตรงนี้คือประทุษรายต่อชีวิตหรืออาจจะประทุษรายต่อทรัพย์หรือประทุษรายในทางเพศนะหรือประทุษร้ายโดยการโกหกหลอกลวงหรือประทุษรายด้วยการมอมเมาด้วยสิ่งเสพติดต่างๆก็แล้วแต่กือสรุปว่าประทุษราย ตัววัตถุกรรมเนี่ยที่จริงเขากลางๆสําสคัญว่าเรามีความรู้สึกอย่างไรต่อวัตถุกรรมเหล่านั้นมาจะเกิดความใคร่ก็ได้คือเกิดกุศลก็ได้เกิดอกุศลก็ได้เกิดกลางๆก็ได้ก็แล้วแต่แต่สิ่งที่เทวดาต้องการเน้นคือบอกให้เราทราบว่ามันไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอน การปรารถนาการไขว้คว้าการครอบครองวัตถุกรรมไว้ยังไงก็ตามไอ้ผู้ครอบครองก็ไม่เที่ยงไอ้จิตที่อยากจะครอบครองมันก็ไม่เที่ยงแล้วก็สิ่งที่เราครอบครองก็ไม่เที่ยงครอบครองยังไงก็ถึงจุดหนึ่งก็คือพลากจากแล้วก็อาจจะเจอกันอีก ครอบครองอีกก็พลักจากอีกแต่ที่เราไปควยคว้าปราถนาเพื่อต้องการเป็นเจ้าข้าเจ้าของกันมากเนี่ยคือท่านบอกว่ามันสืบเนื่องมาจากลึกๆภายในใจมนุษย์เนี่ยคือจริงๆมันก็สืบเนื่องมาจากกิวิชาแต่ว่ามันเกิดความรู้สึกว่าตัวเองจะเที่ยงแท้ยั่งยืน แล้วก็สิ่งเหล่านั้นจะเที่ยงแท้อย่างยืนเราพูดถึงรักนั้นนิรันดรซึ่งก็ไม่มีความรักที่นิรันดรแม้ความโกรธเองก็ไม่นิรันดรแต่เพราะจิตมันไปรู้สึกอย่างนั้นมันก็เกิดพวกกา마มมาตหาผวะตหาเกิด<ไ>ความใคร่เกิดความปรารถนาเกิดความพอใจ ต้องการได้ต้องการมีต้องการเป็นต้องการถือครองครอบครองกันโดยวิธีการต่างๆเผลอต้องก็เตือนให้สนักพระเทวดาเหล่านี้ท่านประสบกับความพลัดพรากมาใหม่ๆสมบัติต่างๆที่ท่านครอบครองก็คือวัตถุกรรมในสมัยที่ท่านเป็นมนุษย์เนี่ยมาก็ถูกทอดทิ้งมาหมดแล้ว วัตถุเล่นั้นก็ไม่เที่ยงแต่ว่าท่านไม่เที่ยงกว่าคือท่านตายวัตถุเล่นั้นก็คงทิ้งอยู่ในโลกทีนี้เมื่อท่านมาเกิดเป็นเทวดาเนี่ยที่จริงก็ดูยากนะฮะดูไม่เที่ยงในเทวดานี่ดูยากเพราะแต่ละอย่างมันเป็นทิพย์แล้วก็ยืนอายุเขายืดมากแต่แสดงให้เห็นว่าเทวดาพวกนี้มีบารมี ปุถามะอะไรได้คมคมนะแต่และเรื่องที่ท่านเสนอนี่ของผมทเดียวแต่บอกว่าบุรุษผู้เกี่ยวข้องแล้วใครก็ตามที่เกี่ยวข้องเนี่ยถ้าเกี่ยวข้องโดยปัญญารู้เท่าทันก็จะต้องมองอีกว่าตัววัตถุกรรมนั่นแหละคืออารมณ์ของสมถะแล้วก็คืออารมณ์ของวิปัสสนา เหม็มตัววัตถุกรรมนั้นจะเป็นเหตุปัใจจัยให้เราตกนรกก็ได้มันเกิดในสวรรค์ก็ได้เกิดเป็นมนุษย์ก็ได้เกิดเป็นพรหมก็ได้เกิดเป็นเทวดาก็ได้ตลอดถึงบรรลุมรรคผลเป็นพระหานก็ได้ปัจอารมณ์ของกรรมฐานทั้งสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานส่วนใหญ่ก็เป็นพวกวัตถุกรรมเช่น กายกตาสติการตั้งสติระลึกรู้อยู่ที่กายไอ้ตัวกายเนี่ยมันก็เป็นวัตถุกรรมหรือว่าหาเรปสิกุลสัญญารู้เห็นความปฏิบุรของอาหารตัวอาหารมันก็เป็นวัตถุกรรมหรือว่ากสินสิบตัวกสินมันก็เป็นวัตถุกรรมอสุภัสสิบอสุภะก็เป็นเป็นวัตถุกรรม วัตถุกามที่จริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่กามสากลมันกามพระจิตเราไปกําหนดมันว่าน่าใคร่นับปรัถนาน่าพอใจมันก็เป็นกามของเราอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงว่าสังกัปปาโกปุริสัสกามโมความต้นบิเนี่ยเป็นกามของมนุษย์หมายความมาท่ามยุดมนุษย์หยุด ความดำดิยุดการให้ความสําคัญไอ้สิ่งเหล่านั้นมันก็เป็นสิ่งนั้นจิตเราก็เป็นจิตมันก็แยกจิตออกจากสิ่งนั้นแน่นอนจิตมันก็ไม่เที่ยงไอ้สิ่งนั้นก็ไม่เที่ยงแต่เมื่อมันไม่เที่ยงเนี่ยเราไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ได้ยึดมันเป็นของเราแต่ที่บันยุ่งเนี่ยเพราะเราไปยึดมันเป็นของเรา ญาติเราแก่ญาติเราเจ็บพระญาติเราตายของเราแตกรถเราชนอะไรแต่อะไรก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นดังนั้นเซบาดาก็กล่าวว่าบุรุษผู้เกี่ยวข้องแล้วผู้ประมาทาแล้วในอารมณ์ที่ตั้งแห่งความไข้ทั้งหลายอันมีอยู่ในมันุษย์มนุษย์นี้หมายความมาตั้งคนยังอยู่อย่างนั้นเนี่ย ยังเกี่ยวข้องกับอารมณ์โดยขาดปัญญาพิจารณารู้เท่าทันถึงความจริงในตัววัตถุกรรมเมืม่อก็หมุนวนหมุนวนอยู่ในสังสารทุกข์เราอย่าลืมนะฮะแม้แต่พวกรูปฌานะรูปฌานเองก็อยู่ในกลุ่มของอารมณ์ ที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจก็แสดงว่ามีฐานะเดียวกับพวกวัตถุกรรมแต่ว่ามันเป็นธรรมรมถวนพบของรูปฌานมันก็เป็นวัตถุกรรมนะแล้วก็ตัวการอุบัติเป็นพรมมันก็คือตัววัตถุกรรมเพราะฉะนั้นไอ้การครอบครองสิ่งเหล่านี้ มันจะมีลักษณะสร้างความหมุนวนหมุนวนบางทีปั็หาทางออกไม่ได้ได้เคยเคยยินคำได้เคยฟังคำกรอนของลิเกก็ เ, เรียกว่า ขอยับยั้งตั้งข้อรอไว้ทียกขึ้นดียกคดีขึ้นว่าลักษณะวงหลงแม่มากลางป่ายังไม่ถึงบัดวาตารือสีขอยับยั้งตั้งข้อรอไว้ทียกคดีขึ้นว่าลักษณะวงเลยจบเลยหมุนก็อยู่อย่างเงี้ยผะในสังสารวัตรมันกิเลสกรรมมันก็หมุนผลตัวกิเลสมันก็เป็นกิเลสการม ตักรรมคือเจตนาเป็นกระทํานั้นมันเกี่ยวเนื่องอยู่กับวัตุกรรมไม่ใช่เ ก, เ, เกี่ยวเนื่องกับกิเลสกรรมแต่สิ่งที่เราทํามันก็เป็นวัตถุวัตถุกรรมตัวกรรมนั้นเป็นผลมาจากกิเลสกรรมก็ได้นะฮะเป็นผลมาจากธรร ม, มา ก, ก็ได้แต่สรุปว่ายึดโยงอยู่กับวัตุกรรม การแสดงเรื่องโทษของกามคือตามปกติแล้วเวลาแสดงกระโยมเนี่ยคือเราจะพบคำง่ายๆไม่ค่อยอธิบายโดยวิจิตพิสดารยกเว้นแต่ทรงเห็นว่าวัสนาบารมีของคนเหล่านั้นจะไปได้ไกลก็จะแสดงแบบยํำดีพวกวัตถุการามเลย เกี่ยวความจริงมาตีแผ่เลยในพระสูตรทัศกานิบาตอังคุตรนิกายก็ทรงแสดงปัญญากานิบาตอังคุตรนิกายนะก็ทรงแสดงเขารียการมุปปมาอุปปมะเรื่องการเทียบเคียงคือการเทียบเทียงเนี่ยมันมันค่อนข้างจะดูง่าย แต่ว่าเราต้องน้อมกลับกลับไปอีกทีหนึ่งนะยกตัวอย่างเช่นอุปมาขันห้ารูปเหมือนกับฟองน้ำเวทนาเหมือนกับต่อมนม้ำสัญญาเหมือนกับพยับแดดสังขารเหมือนกับกอก ร, กรุ้ยวิญญาณเหมือนกับภาพมายามันใกล้ๆจะมีมันแต่ไม่มี เรานั่งอยู่บนถนนมองไปข้างหน้าเห็นถนนมันมืดมน่าจะเรียบมากแต่เราก็ไม่เคยเจอถนนที่มันมือ ม, มองไปในทางรถไฟตอนปลายเนี่ยคล้ายๆกับรถไฟมันจะบรรจบกันเวลารถไฟจะบรรจบกันแต่ที่จริงไม่มีการมรรจบ นั้นเราจะเห็นว่ามันเป็นมายาไอ้พวกนี้คือจักุวิญญาณความเห็นทางตาเนี่ยมันใกล้ๆจะจริงอ่ะมันแต่มไม่จริงแต่สัญญาก็จะมีลักษณะอย่างนั้นมันมือนก็พยับแดดคือเราบางทีแดดร้อน แ, งแรงๆเนี่ยเรามองไปท่ามกลางแสงแดดเห็นเป็นรูปเป็นร่างแต่ก็มันมก็ไ ม, ไม่ไม่มีรูปมีร่าง เนวัตถุกรมที่พระบาลีจะเน้นมากเพราะว่าคำว่าพรหมจรรย์จริงๆโดยความหมายเดิมจริงๆะเน้นที่การสรํารอกความพอใจในกามออกไปโดยลำดับจากหยาบสุดก็คือเสพกรรมแหละคือถือว่าการเสพกรรมเสพมถุนนี้ถือว่าหยาบสุดและ แล้วก็ยกระดับจิตขึ้นไปเรื่อยๆทั้งหมดเป็นอุบายวิธีที่จะให้กิเลสกามลดละจางคลายลงแต่ไม่ไปทำอะไรกับวัตถุ ก, กรรมหรอกเพราะมาทาอะไรเขาไม่ได้เราอย่าลืมวัตถุ ก, กรรมมันเป็นทรัพย์้าคของคนอื่นเราก็ไปทำไม่ได้เพราะมันเป็นทรัพย์ของเขา ถ้าของเราเราก็ไปทําลายทำไมเราไม่ต้องการเราก็ไปให้คนอื่นก็กลายเป็นทานทีนี้ไอ้สิ่งที่เราให้ทานเนี่ยตัววัตถุเด็กก็คือวัตถุ ก, การนั่นเองเราแปลให้เป็นเครื่องมือในการประกอบความดีผลลัพการตรงนี้ถึงถือว่ามีความสำคัญพระพุทธเจ้าจะสอนให้บุคคลหาประโยชน์ได้จากทุกเรื่อง อย่างนี้เคยบอกว่าอะไรเป็นอะไรไม่สําคัญแต่ก็คุณคิดยังไงทีนี้เรื่องวัตุกรรมถ้าเราคิดได้ลึกนี่นะบางทีพระพุทธเจ้าพระอุ ป, ปมากับภิกษุคือพวกกับภิกษุไม่ใช่ผู้กับโยมนะฮะเระการเสพการมเนี่ยที่จริงมันเหมือนกับสุนัข แ, แท้กระดูกกระแทบไปกระดูกก็ไม่สึไกไม่กรอดอะไร น้ำลายก็แตกฟองแล้วก็เสร็จแล้วก็กลืด น, น้ำลายแล้วเข้าใจว่ากระดูกมันอร่อยฐาตที่สิ่งในตัวเองกลืดออกไปก็คือน้ำลายของตัวเองอการเสีบการมันก็มีลักษณะอย่างนั้นทีนี้พอตัววัตกกทุกรรมเนี่ยสรงอุปมาอุปมาให้เห็นให้เราคิดว่าหนึ่งก็คืออุปมาเหมือนกระร่างกระดูกไม่เป็นการเกาะกลุ่มกัน เดิร่างกายของเราที่จริงก็คือร่างกระดูกแต่เราก็ไม่เห็นเป็นร่างกระดูกบางครั้งทรงพูดรับสั่งแบบง่ายๆนะฮะว่าร่างกายนี้อันโครงกระดูกรวมสามร้อยท่อนเนี่ยมันยกขึ้นเป็นโครงร่างแล้วก็ผูกมัดรัดรึงไว้ด้วยเส้นเอ็นแล้วก็ฉาบทาไว้โบกไว้ด้วยเนื้อ แล้วก็หล่อเลี้ยงไว้ด้วยเลือดแล้วก็หุบไว้ด้วยหนังแต่มันกลับเป็นที่ตั้งของตันหาของมานะของทิฐิของความรุนแรงของความเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาที่จะต้องคอยจับผิดจะต้องเข็นฆ่าจะต้องทำลายล้างปากก็เรียกร้องสวานาฉัน ก็คืนวันที่เก้ามกราประมาณสักตีสองมีคนโทรมาบอกว่ามีวัดบางวัดเวลาเนี่ยถูกทหารเข้าไปเดินถือปืนสวมหมวกกลาดรวแล้วก็สงสัยมเรื่องอะไรก็ทราบว่า มีอยู่สองสามวัดนะฮะแต่คงจะหลายวัดถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนะี่ยแต่เราก็ไม่รู้เจตนาเขาว่าเรื่องอะไรคือการเข้าวัดเนี่ยมันมันต้องให้ความเคารพนะวัดเป็นาศาสนจักรนะแต่เราลองไปทำอย่างนั้นกับมัจยิตของอิสลามลองดูสิหรือไปทำกับโบสถ์ของคริสตดู ทำกับเทวไลาของซิกดูของพรามดวเขาไม่ยอมบอกไอ้จริงๆนั้นก็คือวัตถุวัตถุกรมแต่ว่าเราให้ความเคารพเพราะเป็นบุญญาสถานเป็นาศาสนาสถาน เป็นปูชนียสฐานคุณไม่นับถือแต่ศาสนิกในพุทธศาสนาเขานับถือมันเราต้องเคารพศรัทธาของบุคคลเหล่านั้นความแล้วก็สลดใจแต่ก็บอกคนทีเขาโทรมาบอกว่าอย่าไปยึดมั่นถือมั่นอะไรบ้านกรรมใดใครก่อคนนั้นก็รับกรรมไปกันละกันอย่าไปยุ่งก็เลย ก็ปล่อยเข้าไปเพราะในร่างโครงกระดูกเนี่ยที่จริงมันมันไร้สาระพอเราก็ตายกันห้เห็นทุกวันนะ่นนะที่ท่านบอกว่าน า, าติชัติวางวายมาลายสิน้นทั้งอินทรีย์สถิทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาเนี่ยอันนี้คือความจริง ตัวสังขารร่างกายของนรชาติเนี่ยที่จริงมันก็คือโครงร่างกระดูกทีถึงจุด1ก็แยกสลายกันไปแล้วก็มีเหตุปัจจัยให้เกิดใหม่มันก็เกิดใหม่เหตุปัจจัยหมดมันก็ดับจะกลายเป็นเรื่องดีไปประการต่อไปท่านเรียกว่ามังสะ เป๊ะสูบปปาอุ ป, ปามาเหมือก็ชิ้นเนื้อชิ้นเนื้อที่แรงและกานี่แย่งกันกินผลท้ายตัวชิ้นเนื้อมันก็แหลกสลายไปตัวแรงและก า, ก, าก็ต้องตายไปแล้วในขณะที่แย่งนั้นก็อาจจะบาดเจ็บกันบ้างเพราะต่อสู้ไปยื้อแย่งกันโตตุกการทั้งหลายในโลกมีลักษณะอย่างนั้น แจ้งกันรุนแรงก็อย่างที่ท่านเรียงไว้เป็นคำกรอนที่จริงคำกรอนนี้มาได้ยินมาตั้งแต่บวดรู้สึกจะสามพรรษานะมันเป็นเทศสองธรรมะ ก, ก็พระรูปหนึ่งจำชื่อท่านได้แต่ว่าจำชายาท่านไม่ได้ชื่อสวัสท่านก็ว่าเป็นกรอนออกมา แล้วก็จำได้เลยเออคมมากเพราะว่ามันเป็นการสรุปพฤติกรรมของสัตว์โลกเอาไว้ด้วยข้อความสั้นๆที่ตกเป็นาธาตุของตันหานี่พอการเป็นาธาตของตันหามันมีแต่ความเดือดร้อนแล้วก็โลกมันก็พร่องพร่องอยู่ตลอดเวลาเพราะเป็นาธาตุของตันหา พระพุทธเจ้าทรงแสดงวัานาัติตันหาสมานาดีแม่น้ําที่เสมอด้วยตันหามันไม่มีแม่น้ํามันเต็มได้มันอิ่มได้มันล้นฝั่งได้แต่ตันหาไม่มีคํา ม, มาเต็มคํว่าอิ่มคํว่าพอคำว่าหยุดทั้งๆ ท, ท, ที่ตัวสิ่งที่เราอยากได้เนี่ยคือตัววัตถุการเนี่ยมันก็เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนยั้งยืนอะไรอย่างยกตัวอย่างสมณศักดิ์ของพระเนี่ย การเป็นก็คือการไม่ได้เป็นเพราะยิงมันเริ่มมาจากไม่ได้เป็นแล้วก็เป็นแล้วก็ไม่ได้เป็นมันเหมือนกับการเกิดเนี่ยก็คือการตายหมายความถ้าเราเกิดมาเราก็ไม่ตายแต่เราไม่เกิดมานี่เราก็ไม่ตายแต่พอเราเกิดเราก็ต้องแก่แล้วก็ช่วงนั้นก็ต้องเจ็บต้องพลาดพลากและถึงจุดหนึ่งก็คือตาย เพนวิธีการของพุทธศาสนานะจึงไม่ต้องการจะอยู่ในวงจรของความไม่เที่ยงเพราะอะไรเพราะมันซ้ํากซ้ำและซ้ำอีกที่ทงแสดงว่าดุกขาชาติบุณณปุนางเกิดบ่อยๆมันก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์บ่อยๆเป็นทุกข์ร่าไปเป็นทุกข์เรื่อยๆแต่เราขาดปัญญาในการมองโลก แล้วก็สลัดหลุดยากนะเพราะว่าเราเองมาจากตัญหาเราถูกสร้างขึ้นมาจากการมาตัญหาจากพวตัญหาก็เ ร, าเรียกว่าตัญหาชเนติบุริสงังตัญหายังชนให้เกิดหมายความไม่ใช่ตัญหาของพ่อแม่อย่างเดียวเราก็มีตัญหาอยู่ถ้าเราไม่มีตัญหาเราไม่มาเกิดละ ทีนี้เมื่อตัญหานี้มันมาจากกิชาวิชาบรนมันจะขาดเหตุผลจะไม่รู้อะไรเป็นเหตุอย่าะไรอะไรควรควรทำยังไงแต้ท่านอุปมาอีกอย่างหนึ่งว่าตินุ ก, กปูปมาอุปมาเหมือนคอบเพลิงที่ถือทวนลมชื่อจะใช้ถึงปรญหาการครอบครองในช่วงของการครอบครองวัตถุการมเนี่ย มันเหมือนกับเราถือก็เพลิงเถื่อนลุ่มคือร้อนตลอดเวลาแล้วก็ควันก็ข้าตาความร้อนก็กระทบใบหน้าแล้วก็เนื่องจากเรามองเฉพาะข้างบนนะโอกาสที่จะสรุปเนี่ยมีเยอะประการชีวิตมันจะมีลักษณะอย่างนั้นเมื่อเราถือก็เพลิงทถืนลุ่มความทุกข์บางเกิดขึ้นแล้วก็บรรเท่าได้แล้วก็ทุกต่อ แต่คนก็ยังสยบติดอยู่นั่นแหละอย่างนี้พระเจ้าทรงแสดงว่าเอธาปัสสติมังโลกังจิตตังราชระถูปะมังยัตถบาลามิสีดันติดันีิสังโฆ ว, วิชาณตาังเธอทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตราการดุ ร, ราชรสที่พวกคนเขาคล้องอยู่แต่พวกผู้รู้ไม่คล้องอยู่เพราะโลกทั้งหมดที่จริงคือวัตถุ ก, กรรแล้วมันก็ไม่เที่ยง แล้วมันเป็นทุกข์แล้วเป็นหน้าตาแต่เราไปเข้าใจมันเที่ยงมันเป็นสุขแล้วเป็นหน้าตาแล้วกําหนดค่าก็มาวัดสวยว่ารูปสวยเสียงไพเราะดินหอมรสดรอยสัมผัสน่าจับต้องในขะั้นหน้าชี้พระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยเขาเรียกพุทธาที่บัณฑิต ท, ทั้งหลา ย, ยบัณฑิต ท, ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นพยายามจะสลัดออกแล้วก็สลัดได้แต่ออกไปแล้ว แต่เราก็วิ่งเข้าไปหาคือยังนึกถึงถึงชีวิตของเราเนี่ยโดยเฉพาะพระเอายกอย่างพระเนี่ยแม้แต่ศาสนาคริสต์มายังมองศาสนาคริสต์กับศาสนาพุทธเนี่ยมันคล้ายๆกันคือหมายความว่าศาสนาเนี่ยจากสูงสุดคืนสู่สามัญ เป็นนักบวชเร่ร่อนไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหลงครับไหนก็นอนนั่นเป็นรูปนกขมิ้นเหลืองอ่อนพอจัดสรุเป็นพระพุทธเจ้าก็ขึ้นสู่สูงสุดอีกแหละแต่ว่าอยู่ในฐานะเป็นสามัญ น, นอนกับดินกินกษายอยู่อย่างนั้นตลอดระยะเวลา 45, สาี่สิบห้าพันษาเราก้าวหน้าขึ้นไปเยอะเลยนะ เราขึ้นไปเป็นเป็นถึงสมเด็จพระสังฆราชถึงสมเด็จถึงชั้นปรุ่มได้อะไรต่างๆโอ้ยสมณศักดิ์คร่องประกอบสมณศักดิ์แม้แต่อาสนะจะนั่งก็ต้องเปลี่ยนนะสมเด็จสีนั้นอิรัญญบัตสีนั้นสังฆราชสีนั้นอุ้ยสารพัดเลยและยังคอนกรีตก็เหมือนกันนีคือพระเยซูเนี่ยท่านเป็นนักบวชเรรัน แบบพระพุทธเจ้ามันกันก็ได้ร่อนแต่ว่าลูกศิษย์นี่เป็นถึงสันตรประปาเป็นสมบัติที่าศาสดาไม่ต้องการแต่ลูกศิษย์ขวายพระเราก็เหมือนกันนะฮะเราไปขวายคว้าเอาสิ่งที่าศาสดาจริงแล้วมาครอบครองแล้วก็เกิดอหังการเกิดมามังการเลยสนุกกันเป็นใหญ่ มันดูดูแค่เรเดินสวนทางกับพระพุทธเจ้านะครัพุทธเจ้าไปทางหนึ่งเราไปทางหนึ่งพุทธเจ้าดับกรมตัณหาดับภาวะตัณหาดับวิภวะตัณหาดับตัณหาดับมารณะดับทิฏฐิเราเพิ่มตัณหาเพิ่มบาระเพิ่มทิฏฐิเพิ่มการมตัณหาเพิ่มภวะตัณหาแล้วก็เพิ่มวิภวะตัณหาที่จริงตรงนี้มันน่าจะสมมาาทบทวน น, น่าจะช่วยกันคิดแหละเราหลงทางไหมเราสวนทางกับพระพุทธเจ้าไหมบางทีว่างๆก็ขับรถถังชนพระพุทธเจ้าไปเลยนี่คือเรื่องที่น่ากินนะเราดูภาพของการถือขบเพลิงถวนลมเราดูภาพของ คนที่ตกอยู่ในเป็นหลุมฐานเพลิงนะมันร้อนนะชีวิตการคลองเรือเนี่ยมันร้อนร้อนด้วยราคะร้อนด้วยโลภะร้อนด้วยโทสะร้อนด้วยริษยาร้อนด้วยความโกรธ ม, มันเผาหลนเยอะถ้าเราเอาไฟที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงในอาทิตตปียาสูตรมาจับนะเราเจอหมดเลย ไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะไฟคือความเกิดไฟคือความแก่ไฟคือความตายไฟคือโศกะคไยคือปริเทวะไฟคือทุกไฟคือโธมนัตไฟคือความคับแค้นใจคือความเสียใจต้องการอะไรแล้วไม่ได้ตามที่ต้องการอะไรที่เราไม่ต้องการแล้วเกิดได้ แต่ใจก็ไปยึดมันมันก็ต้องหมดแหละเรากลับบนตัวเองเข้าไปหามันแล้วก็ถูกมันสนทรายบังคับการแสดงออกกายวาจาใจของเราให้เป็นไปในอำนาจของมันเพราะมันร้อนน่ะ รอดด้วยราคราหลวงพระตัวสามมหามตัวก็แย่แล้วแล้วร้อนเพราะเกิดร้อนเพราะแก่ร้อนเพรา ะ, ะเจ็บร้อนเพราะตายเอาละเราเกิดมาแล้วเราก็ร้อนเพราะแก่เราก็ร้อนเพรา ะ, ะเจ็บเราก็ร้อนเพราะตายเราก็ร้อนเพราะพลากพลาเมือคือนวันที่เก้าเมืม่อกราบกันดูรายการคนค้นคนคนือขอประกาศ จะออกรายการหลวงพ่อปัญญาณนันท์คือยังนึกยังนึกถึงหลวงพ่ออยอ่ว่าท่านทรมานสังขารเกินไปคือท่านคิดท่านคิดว่ายิ่งแก่ต้องยิ่งทำงานมากพอตายแล้วทำไม่ได้ แต่่างานที่ท่านทำเนี่ยที่จริงมันเป็นงานซึ่งให้คนอื่นทำได้คือยังนึกว่าเราพอแก่แล้วเนี่ยคือสิ่งที่น่าทำมากที่สุดคือทำข้างในทำที่ใจของเราดูเวทนาของเราดูสัญญาของเราดูสังขั ง, ขงเราดูขันห้าเนี่ยศึกษาร่างกายของเรา เพราะการจะช่วยโลกเนี่ยมันช่วยไม่จบหรอกแล้วก็ดูการหิ้วปีกการอุตรลุดกกันนึกสงสารท่านว่าทำไมท่านไม่ให้คนอื่นแทนผมไม่จำเป็นว่าเราต้องเทศเองทุกวันเนี่ยวันอาทิตย์อ่ะมันไม่ใช่พระในประเทศไทยมีเฉพาะเราก็เมื่อเรา ถึงทาวจะปล่อยเราก็ต้องปล่อยมันไปยึดไว้ไม่ได้แล้วในวโรธาท่านก็ทรมานเนี่ยก็ยังนึกว่าว่าหลังๆว่าหลังจะไปกล่าวท่านสักทีคืที่จริงมันต้องอยู่กับตัวเองให้มากแล้วก็รู้จักตัวเองให้มากแล้วพิดาดูเวทนาเนี่ยวเวทนานี่จะชัดมาก ดูเวทนาที่ปรากฏนอนก็ดูที่เวทนามันจะเริญนสติปัฏฐานนี่มันให้ตอนตายเราทำไม่ได้จริงแต่ว่าตายแล้วเราเกิดอีกมันก็ทำได้คือ ง, งานเนี่ยมันไม่มีใครทำเสร็จหรอกคือบางครั้งบางคราวเนี่ยเราดูแล้วเราสลด มันไม่จะเกิดศรัทธาประสาทเกิดปิติปราโมทอะไรนะฮะดูแล้วเราสลดก็าทำไมไปทรมานคนแก่อย่างนั้นแกก็คิดยังไงก็ ก, ก็ก็ไม่รู้ฮะคนก็ยังนีมนต์ทันก็ดูหน่อ ย, อยดูไม่มากล่ะแต่เออทำไมอ่ะคนก็รู้ว่าหลงพ่อเก้าสิบหกแล้ว ให้ท่านได้พักผ่อนให้ท่านได้อยู่ก็ทบทวนพิจารณาธรรมะธรรมะวิตตโกคือรึกนึกถึงธรรมะแล้วก็คือร่างกายตัวนี้ที่จริงมันเป็นอารมณ์กรรมาฐานเต็มที่เลยนะฮะคือการปรากฏตัวชัดเจนของขันห้าที่เป็นโรคคณินนทางคือรังของโรคแล้วประพังคูนังคือต้องเปื่อยหน้า น, นี่ความชัดเจนมากมันอาการเขาลุมฐานเพิงนี่ก็ชัดเจนอาการเขาเพิงทวนลุ่มก็ชัดเจนแล้วก็บอกว่าข้อต่อไปก็คืออุปม า, มาเหมือนการนอนฝันตื่นแล้วก็หายเพื่อนวัตถุ ก, กรรมทั้งหลายที่เราเสพสุขที่เราแสวงหาที่เราครอบครองที่บริโภคมันก็ไปเลยอะ่ะ พบกันระยะสั้นๆแล้วก็พลันจากไปนั้นคือวัตถุกรมอะไรก็ตามแหละให้เราสังเกตว่าสิ่งที่เราครอบครองคือจบลงที่การไม่ได้ครอบครองช้าสุดคือเราตายจากมันแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะจากเราไปก่อนเพราะ ว, ว่าชีวิตมนุษย์มันก็ยืนอยู่ชีวิตสัตว์นะแล้วก็ สิ่งเนี่ยบางทีเนี่ยเราเกิดเบื่อหน่ายตัวเองให้คนอื่นไปบ้างแจกแบ่งบ้างบริจาคเป็นสาธารณกุศลใชบ้างมันก็จากเราไปแล้วก็ยาจิตูยาจิตะกูปมาคืออุปมาเหมือนพัสดุที่ยืมเข้ามาใช้แล้วต้องส่งคืนรเราเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเราต้องส่งคืน ภาษาสัมผัสของเราประสิทธิภาพต่ําลงไปเยอะมากตาประสิทธิภาพก็ต่ำหูประสิทธิภาพก็ต่ําจมูกก็ต่ําลิ้นก็ต่ําความจําความเจอมอะไรมันก็ลืมนั้นแสดงว่ามีการทวงคืนกันจิกๆเลยความตายปรากฏรอยอยู่ข้างหน้าตรงไหนก็ไม่รู้แต่ว่าที่แน่นอนคือเราตายแน่ อุปมาเหมือนผลไม้ที่เป็นที่ต้องการของคนทั้งหลายแต่ผลไม้มันเปื่อยนะฮะคนยื้อแย่งไปครอบครอเอาหน่อยเดียวก็เปื่อยมาแล้วเน่ามาแล้วกินไม่ได้แล้วสังขารร่างกายวัตถุการมทั้งหลายก็มีลักษณะอย่างนั้นอุปมาเหมือนคนประหารมนุษย์และเอกสานด้วยหอกแล้วก็ชักออกยาก คือหมายความว่าคนที่ประหารสมัยนั้นก็ถ้าท่านท่านดูอย่างนั้นคือคือว่าเวลาฆ่าคนเนี่ยโดยห อ, อกเนี่ยคือตอนแทงเข้าไปเนี่ยมันจะง่ายแต่ดึงเนี่ยจะออกยากเพราะวัตุกรรมเนี่ยจริงๆแล้วท่านสอนให้ชักสะพานนะคืออย่าไปทอดสะพานอย่าไปกําหนดว่าเออนี้รูปสวยนะกลิ่นหอมนะรสอร่อยนะสัมผัสนะจะต้องนะ แล้วก็กระตุน้นความใครความปรารถนาความพอใจพอใจไปยึดว่าของเราแล้วเนี่ยมันเป็นอุปท า, านอุปท า, านก็คือยึดมั่นถือมั่นะยึดติดสยบติดกำหนัดเพลิดเพลินลึกๆนี่มันมีความมีตกกังวลมีความวนใย่มีความวาดระแวงมีความกลัว จิตใจไม่นิ่งมันเหมือนกับเราเวลาเนี้ยอย่งย่างคนไปแล้วเนี้ยลองสังเกตว่าเราสูญเสียเวลาเพราะวิตกกังวลเนี้ยสินเสียเงินสูญเสียเวลาไปเยอะเพราะวิตกกังวลมีลูกไปโรงเรียนโทรศัพท์เช็คตรวจสอบตลอดลูกก็โทรศัพท์หาแม่ตลอด หัวกับเมียก็เหมือนกันโทรศัพท์เช็คกันไปตัวกันไปตัวกันมาแล้วคนเมื่อก่อนล่ะเขาอยู่ยังไงเขาไม่เดือดร้อนขนาดนี้นเพป็นตัวเเห็นว่าอาการโบร่งเบาภายในจิตเนี่ยคนรุ่นเก่าที่มีอะไรน้อยเนี่ยคนที่รู้สึกว่าตัวมีน้อยเนี่ยมันจะเดือดร้อนน้อย เรารู้สึกมีมากเท่าไหร่เนี่ยเราจะเดือดร้อนมากเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นทั้งแบกทั้งหามทั้งเทินปุ๋วตุกามเอาไว้หมายความว่าเรื่องอดีตก็มีอนาคตก็มีปัจจุบันก็มีเลยเครียดเลยทาให้เกิดอาการงจิตประสาทดูเยอะดึองออกมายากแล้วท่านอุปมาว่าเหมือนกับ อาสิตมูประมาคือเหมือนกับเขียงที่หั่นเนื้ อ, อเขาเขจริงมันไม่รู้รสชาติอะไรแต่ตัวเองก็สึกกร่อนไปเรื่อยๆ เ, เขียงที่เขาเอาไปหั่นเนื้อนะ่ะมันเจ็บคือถ้ามันมันมีวิญญาณเนี่ยมันจะเจ็บแต่อันนี้มันมันไม่มีวิญญาณมันก็ไม่เจ็บแต่มันก็สึก แล้วก็สึกร้อยรอไปเรื่อยๆและจนหมดสภาพของเขียงที่หั่นเนื้อตลอดระยะเวลานั้นตนไม่ได้สัมผัสรสชาติของเนื้อชี้เขาไปหั่นบนเขียงเลยรสชาติที่แท้จริงเพราะวัตถุการทั้งหลายที่เราครอบครองี้จริงก็มีลักษณะอย่างนั้นมันอย่ทีท่งอุปมมาว่าเหมือนสุ น, นัขแทะกระดูกไตตอตรงตรงนี้ชัดเด็เสุ น, นัขแทะกระดูก ทำไปทำมาก็อร่อยน้ำลายตัวเองแล้วข้อต่อไปก็เหมือนกับศีศศรษะอสระพิษเรามาระวังเยอะนะศีศศรษะอสราพิษเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันโอกาสที่จะเสี่ยงภัยเสี่ยงชีวิตเสี่ยงอันตรายง่ายแต่เราต้องไปเกี่ยวข้องกับอสราพิษ สติต้องดีสัมมั ญ, ญาต้องดีแล้วจิตใจต้องไม่วอกแวกไม่สับสนมีความเชื่อมั่นมีปัญญาสวจสอบพินิพจนารู้จักระมัดระวังทั้งป้องกันทั้งขจัดผลการเกี่ยวข้องวัตถุกรรมที่จริงเป็นเรื่องอยาก ผูเจ้าทรงแสดงว่าการครองเรือนไม่ดีเนี่ยมันจะเพิ่มทุกข์มากยิ่งขึ้นนี่เป็นคำกล่าวของเทวดานะทำให้เราเห็นอย่างหนึ่งว่าสัตว์จะทำนั้นไม่ได้หมายความว่าคนจะต้องเป็นพุทธเท่านั้นจึงรู้คือบางคราวบางคราวเราพูดไรผูกขาดมากเกินไปธรรมะเนะี่ยมันเป็นสิ่งที่มีมาก่อนาศาสดาทั้งหลายในโลกนี้ การค้นพบธรรมะในชั้นต่างๆก็ค้นพบกันมาตลอดเพียงแต่ว่าสิ่งที่ถือว่าแปลกใหม่ที่สุดซึ่งคนค้นยังไม่พบเนี่ยคือระดับวิปัสสนากรรมฐานขึ้นไปก็พูดง่ายๆว่ามรรคสี่ผลสีนิพพานหนึ่งซึ่งมันเป็นผลแล้วก็เป็นเหตุ โดยทั้งหมดมันก็มาจากผลคืออาริยมรรคเพราะฉะนั้นตัวอาริยมรรคเนี่ยความรู้คนยังไม่สมบูรณ์พอโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะแต่เรามองดูถึงสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาชีวะสัมมาวิยมะสัมมาสติสัมมาสมาธิก็มีกันพอสมควรนะะไม่ใช่ธรรมดาก็ท่านอุตกะดาบทรามบุตรก็ บรรลุขนาดอารูปฌานนะจะว่ า, างไงแล้วก็แสดงว่าสัมมาสมาธิท่านสมบูรณ์มากเกิดหมายความมันก็สิท่ท่านก็ต้องสมบูรณ์ด้วยเถ้าฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้โดยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุนี้ขอความจะเริ่ดงอกงามไปบูรในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี